ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีประทุมได้นำเสนอพระสูตรในมัชฌิมนิกายมาสูตรหนึ่งแต่เนื่องจากมีข้อความที่ยาวแล้วก็หลายตอนกว่าจะจบได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายวัน เกินว่าควรจะกลับมาพูดเรื่องในอุทานต่อไปประค้อความไม่ค่อยยาวสามารถจะพูดให้จบได้เป็นสูตรๆไปในแต่ละวันแต่พระสูตรก็คือพระสูตรเป็นการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยปริยายต่างๆ เราโลมตามพื้นเพจริตัญยาสัยวัสนาบารมีของคนที่ฟังในแต่ละคราวคือถ้าหากว่าคนฟคังมีความหลากหลายคือจากการสังเกตว่าถ้าคนฟังมีความหลากหลายมีจำนวนมากปรมเทศนาจะขยายออกไปมาก เรามีลักษณะเหมือนตาข่ายคือต้องครอบคลุมพื้นเพจริตปฏิยาศัของคนนี้แตกต่างกันไว้ให้ได้ก็เราดูทํานองใล้ๆกับทีิส่งแสดงอนุบุพิกถาในยศสี่แก่พระเจ้าปิมิสารและบริวารพระเจ้าปิมิสารและบริวา ร, าาลลรวานั้นท่านมีคนมาก ผนเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ทรงหลากหลายลก็จจายออกไปตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีพื้นฐานแล้วก็แตกต่างกันาลประสูดในทีนกทีกนิกายนี่เราจะเห็นชัดเจนนะะว่าเป็นเรื่องค่อนข้างมากและคนค่อนข้างมาก ขอความในวสุจึงขยาญาออกไปแต่ในในกรณีที่เป็นการเปล่งพระพุทธรูฐานคือไม่ได้เจตนาที่จะแสดงธรรมะสั่งสอนคนซึ่งเป็นเหตุให้ทรงเปล่งพระพุทธรธานแต่ว่าทรงประรเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็ทรงสรุป พิสท้อนออกมาเป็นธรรมะข้อความสั้นๆแต่กลายเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตในการวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงข้อความต่อไปนั้นอยู่ในโซนเถรวัตที่หนะนะฮะ ก็เป็นเรื่องของอุทานคือพุทุธานเหมือนเดิมแต่ว่าการเรียงเป็นการเรียงที่ค่อนข้างแปลกคือประูติแรกน่าจะเป็นเรื่องของพระโสณะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เกิกลายเป็นเรื่องของพระเจ้าปเสนที่กุศลไปแล้วก็ในประูตคต่อมาเองก็เป็นการแสดงเรื่องคนอื่นแล้วก็ไปปิดตอนท้ายด้วย เรื่องของพระสนะเพราะวิธีการจัดหมวดหมู่ของท่านเนี่ยคือบางทีตัวชื่อหมวดเนี่ยมันอยู่ข้างหลังบางทีชื่อหมวดก็อยู่ข้างหน้าแต่ถ้ากล่าวโดยเนื้อหาสาระของธรรมะแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันคือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก็เป็นปรยายเทศนาดังกล่าวคร้วหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันพระเจ้าประสเสนทิโกสนประทับอยู่บนปราสาทชั้นบนพร้อมด้วยพระนางมริกาเทวีคือพระนางมริกาเทวีเนี่ยเป็นบอกการการบอกกล่าวอะไรให้แก่เราหลายๆเรื่องนะ ในเรื่องของบุญกุศลต่างๆที่บุคคลกระทำเอาไว้ที่เราพูดถึงกรรมคือจะนุกกรรมนำคนไปเกิดแล้วมันจะมีอุปถัมประกรรมมีอุวปีติกกรรมมีอุปครราตกรรมในเข้าไปแทรกในวิถีชีวิตของบุคคลเราั้น ทำใหวิถีชีวิตของคนจึงเมือลักษณะขึ้นขึ้นลงลงคล้ายๆกับชั่วเจ็บทีดีเจ็ดหุนอะไรต่างๆนั้นเร่ยงแนวที่ทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทพอมือดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปแล้วก็สว่างมาสว่างไปเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มืดมาแล้วก็มืดไปเนี่ย หมายความมาเกิดขึ้นด้วยผลขององกุศลแกรรมและอากุศลแกรรมข้าอุปธรรมมันไม่มีกุศลและกรรมที่มีกำลังแรงจะฆามรมันเลยก็มืดตลอดสายทีแนวหนึ่งมันเป็นการมืดมาแต่สว่างไปก็แสดงว่าเกิดมาด้วยผลขององกุศลแกรรมทำหน้าที่เป็นชนกกรรมคือ น, นาคนให้เกิด แต่ในขณะเดียวกันก็มีกุศลและกรรมในเข้ามาตัดบ้างเข้ามาเบียนบ้างคือบางทีมันเป็นการพลิกผันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือบางทีก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเหตุจริงๆมันเป็นผลทั้งกุศลในปัจจุบันแล ะ, และกุศลในอดีตในลักษณะที่เรียกว่าบุญมาวาสนาช่วย หรือบุญมาวัสนาสุงบางคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปไม่ใช่มืดมาไอสว่างมาแล้วก็มืดไปเพื่อแสดงว่าเขาเกิดด้วยผลของกุศลกรรมทำหน้าที่เป็นชนกกรรมกรนนาให้เขาเกิดแล้วก็มีอคุศลกรรมตามมาให้ผลมาเบียนหรือมาตัดนะก็แล้วแต่ คือบางทีนี่กลายเป็นผู้ดีตกยากไปเลยอันนี้แสดงว่าอากุศณกรรมเข้ามาตัดแต่บางทีคนลดลงคือไม่ถึงการพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ แ, แสดงว่าอากุศนกรรมเข้ามาเบียนแต่การเบียนเนี่ยอย่าไปโยนให้อดีตกรรมมากเกินไปคือต้องมองที่ปัจจุบันนะครมให้มากเพราะจริงๆอดีตกรรมเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะให้ผลเมื่อไรอย่างไร มากน้อยแค่ไหนเพียงไรประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่เรียกว่าสว่างมาและสว่างไปแสดงว่าชนุ ก, กรรมนํามาเกิดดีแล้วก็อุปธรรมประกรรมก็เข้าสนับสนุนเป็นกุศลด้วยกันก็ทําให้คนเหล่านี้มีความเจริญก้าวหน้ามันไม่มีบา ป, ประกรรมอะไรแรงๆที่จะเข้ามาเบียดหรือเข้ามาตัด ทำให้คนเหล่านี้ประสบความเจริญก้าวหน้ากันต่อเนื่องเราอาจจะพัฒนาสูงขึ้นไปกว่าเดิมเป็นประเภทอภิชาตบุตรด้วยซ้ำไปพานพระนางมริกาเทวีเนี่ยโดยชาติสกุลยิงยิงท่านก็เป็นลูกของนายมาลากา ร, รเป็นมีหน้าที่เป็นอุทยานบ้านนะฮะเป็นคนรักษาอุทยาน และในการต่อมาเนี่ยได้ช่วยเหลือพระเจ้าประเสริฐที่กศลตอนภัยศึกมาแล้วก็ส่งพอพระไทยก็เป็นที่โปรดปราณแล้วเสถจฐานนาขึ้นไปเป็นพระเทวีพระเทวีทวก็ไม่จ้กประเสริฐนิ่กศลนั้นเข้าใจว่ามีหลายพระองค์แต่ว่าไม่ค่อยมีชื่อแต่ยินชื่อเฉพาะพระราชธิดาแต่พระเทวีคือพระนางมริกาเทวีเนี่ยก็ ม, มีพระโอรสนะรู้สึกจะมีพระธิดามีวิทยาอยู่องค์หนึ่งที่ตอนประสูติแล้วพระเจ้าประเะสริฐนุกุศลรู้สึกไม่สบายพระไทยคือปรารถนาพระโอรสแต่ก็ได้พระราชธิดาพระเจ้าก็ทรงมีวิธีแนะนําสั่งสอนให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้ลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยไม่สําคัญดอกมันสําคัญอยู่ที่ว่า เรามีลูกเป็นคนดีหรือไม่แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอาจจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้หรือว่าในยุคสมัยของเธออาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่เธออาจจะมีลูกที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วก็ส่งแสดงฉาดกให้พระเจ้าพระเศนนิคุสนสงสารในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นอย่างหนึ่งนะฮะว่าการถือเรื่องวันนะ้สมัยพุทธกาลจริ ง, รงๆเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยแรงอ่ะ ที่ท่านเล่าไว้แห่งหนึ่งถึงบุคคลจันทารคนหนึ่งที่กันเดินคือคนจันทานนี่เดินต้องตีเกาะเพื่อให้พวกพราหมณ์พวกกษัตริย์นี่รู้ว่าจันทานมาจะไม่ได้มองไปและจะไม่ได้เฉียบใกล้ไปเพราะว่าถือเป็นอภิมงคลคการพบเป็นคนจันทานนี่เป็นอภิมงคล ธรรมาก็คนจะทานคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าปฏิเสธความแตกต่างของวันนั้นเขามันถือว่าคนจะดีหรือชั่วมันก็อยู่ที่การกระทําของเขาไม่ได้อยู่ที่วันนะชนถ้าท่านวันนั้นแต่ประการใดก็ข้าใจว่าท้องถิ่นนั้นพระพุทธศาสนาคงยังแผ่ไปไม่ถึงหรือว่ากลุ่มนั้นยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะในศาสนามันก็เล่นกันแรงนะฮะเล่นกันจนถึง ทิดาคงเศรษฐีไปเห็นจ น, จ, นจันทานเข้านั่งมานัยยานแท้นะฮะไปเห็นข้าวก็ถือเป็นเสน่หอย่างไรอะต้องกลับบ้าน่ะไปล้างตาด้วยน้ําหอมถึงสิบหกมอไปล้างหน้าอาบน้ำด้วยน้ําหอมัึงสิบหกมอไปชาระเอมลทินซึ่งเกิดขึ้นจากการเห็นจันทานเนี่ยจันทานคนนี้เขาก็เด็ดขาดเอง ก็ประทว้วงโดยวิธีการไปนอนอยู่ที่หน้าประตูบ้านเพราะว่ามันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าจันทันมาตายที่ใกล้บ้านใครเนี่ยรัศมีเจ็ดหลังคาเรือนรอบบ้านตรงนั้นเนี่ยเป็นจันทันไปด้วยเรืงถือเป็นเรื่องค้างแปลกนะความเชื่อแนวนี้ยังมีอยู่ในเนปาลที่ตอนกษัตริย์มาเอนตราถูกปรองพจน์อะ มันมีพราหมณ์คนหนึ่งที่ทำพิธีอะไรกรรมต่างๆแล้วค่อยร้องวันจำนวนมากกันนะ แ, แล้วแกก็ต้องกลายเป็นจัด h านไปความเชื่อเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่แปลกมันอยู่ได้คือํำนองคล้ายๆกับคนถูกล้างสมองให้เกิดอาการยอมจำนวนต่อระบบระนรรณาทั้งหลายเนี่ย แล้วในที่สุดคนเหลานี้ก็สืกต่อกันมาได้จนึึงปัจจุบันในที่สุดชายคนเนี้ถูกแกไม่ยอมนะะให้สิงบนให้เงินให้ทองอะไรแต่ไรแกไม่ยอมนอกจากว่าได้ทิดาของเศรษฐีไปเป็นพัญยาและยังหยุดไม่เอาหมดในที่สุดก็ต้องให้คือเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องไปบีบเศรษฐีถ้าไม่งั้นตัวเองก็ปล่อยติดร่างแหไปด้วยคือเป็นจันทานไปด้วย แล้วก็บุรุษจันทานก็ได้ทิดาเศรษฐีไปเป็นพัญยาแล้วก็ต่อไปก็เรื่องยาวนยะคือสรุปให้เห็นว่าความเชื่อถือในเรื่องเหลนี้นมันแรงแต่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างน้อยเราก็เห็นว่าพระเจ้าม า, านามเนี่ยก็มีสักเป็นพระนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นพี่ของพระอนุรุตก็มีพระชธิดากับ ผู้หญิงวันนาต่ำเป็นทาสีนะวันนาต่ำแล้วก็ธิดาของท่านก็ได้เป็นพระเมสีของพระเจ้าปเสนิโกศลที่ชื่อพระนางวัสภคติยาแล้วก็พระนางมาริกาก็เป็นธิดาของนายมล า, ากาดังกล่าวก็แสดงว่าไม่ค่อยถือกันแค่เ ม, มื่เท่าไรและพระนางมาริกาเป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของประชาชน ดูแล้วนี่มากกว่าพระเจ้าปเสนที่กศสนที้สั่ไปเพราะมีหลักฐานว่าท่านเป็นประธานในการชักชวนชาวบ้านให้ทานประเภทพิเศษ เ, เรียกว่าอ้าสิทธ า, านซึ่งเป็นผู้หญิงเท่านั้นจะทำได้ในพระพุทเจ้าพระองค์หนึ่งนั้นจะมีคนถวายทานในลักษณะนี้ได้เพียงคนเดียวและผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายทาไม่ได้ปรากฏว่าพระนางมรีกาเทวีทาได้ คือดูที่ท่านเล่าเนี่ยพิสดารนะค่าใช้จ่ายคงสูงเยอะในการทำบุญแข่งในชาวบ้านที่ยากเนี่ยคือว่าพระที่นั่งสันเนี่ยก็แสดงว่านั่งสันที่พื้นดินนะฮมีช้างคอยกั้นฉัดให้อง์ละเชือกอพระห้าร้อยรูปก็แสดงว่าต้องค้ายช้างถึงห้าร้อยเชือกเอกชนมันไม่มีใครที่มีช้างมากมายขนาดนั้นนะนอกจากว่า เป็นของราชการแล้วพระนางก็เป็นดวงตาของพระเจ้าปรเสนที่กุศลคือชี้แจงอธิบายเหตุผลต่างๆให้แก่พระเจ้าปรเสนที่กุศลเยอะหลายเรื่องเลยกันเพื่อแก้ปัญหาให้มันก็แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของสตรีในยุคนั้น ที่คนเอามาวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะในคัมภีร์รู้พุทธศาสนาที่ว่าเป็นการดูหมิ่นสตรีเพศไม่เห็นเลยคีอเอาไปเอามาจากไหนมันพูดนะี่ยคือบางทีเราอ่านปนกันอ่านปนกันอาน่นอาป น, น, า ป, น, น, า ป, น, นประวัติศาสตร์อินเดียแล้วมาปนกับพระพุทธศาสนาเราพระุธศาสนามันมีความเสมอภาคแม้แต่การเรียกเนี่ย เขาเรียกผู้หญิงไว้หน้านะฮะเรียกมาตาบิตโรเรียกแม่พ่อแทนที่จะเรียกพ่อแม่แล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าตรงไหนที่เป็นการดูหมิดถ้ามีมันเป็นการสะท้อนภาพสังคมในยุคสมัยนั้นเช่นว่ามีการเอาาพูดมาแสดงกันเป็นเหมือนกับ เป็นถนนเป็นคงคาเป็นสระน้ําเป็นอะไรเนี่ยเป็นศาลาก็เรียกว่าสาธารนณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายซึ่งดูแลเป็นการพูดเฉพาะก ร, รณีคือในบางกรณีนะคือบางทีในเรามองเป็นต้องเชื่อมโยงไอ้ที่มานะเชื่อมโยงไอที่มาที่ไปไม่ใช่หมายความว่าเป็นกรณีตัวทั่วไป วันก่อนเนี่ยลูกศิษย์ก็เป็นราชคาณะที่วัดเนี่ยแล้วก็กระซิบถามแต่ว่ามันกระซิบถามก่อนจะสวดปฏิมโมกข์เลยก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกระถามเรงลักษณะตัดสินพระธรรมีินัยว่าทำใดเป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีด้วยหมู่เนี่ยกับที่เป็นไปเพื่อความสงบ คือมันน่าจะเป็นข้อเดียวกันแต่ลักษณะตัดสินวัมนินัยแปดข้อตัวปฏิเสธแดข้อตัวรับรองแดข้อเนี่ยเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระนางมหาปิษณบดีโคตรมีคือยังมองว่าเป็นปริยายเทศนา ที่ทรงมองเห็นกลุ่มบุคคลผู้ฟังในคราวนั้นว่ามันมีปัญหาในกรณี น, นั้นกรณี น, น, นั้นบางก็ทรงแสดงธรรมะออกไปในลักษณะนี้แต่ก็สรุปแล้วก็อยู่ในเรียมัชในภาคของการปฏิบัติแล้วก็ก็ะสมกลมกลืนกันไปพระเจ้าปเนาสนีโกศลเนี่ยท่านเพื่อถ้าเราดูจริงๆท่านก็ไม่ค่อยฉลาดอะไรเท่าไหร่หรอก ถ้าเทียบกับพระนางมาริกาหรือพระเจ้าพิมพิสารท่านไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าก็เป็นคนที่ใจดีนะฮะซื่อสัตย์บางทีท่านถูกหลอกแรงๆนะรับถูกหลอกแรงๆจนฆ่าพระสาหายร่วมสาบานกันโดยความระแวงว่าพระสาหายจะ แย่งราชสมบัติทาง ท, งที่เขาละสละบพลังกษัตริย์มารับใช้นะมาเป็นเสนาบดีให้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้เยอะข่าล้างครอบครัวก็เลยเออท่านเชื่อง่ายก็เรียกว่าประกันคนข้างเบานะ่เชื่ออะไรง่ายแล้วก็ประไทยจะอนะ่อนไหวนะอ่อนไหวได้ง่าย ก็ไปเจอเมียชาวบ้านก็อยากได้เขามาเป็นเมียยุ่งไปหมดอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ต่อจากนั้นก็ฝันไม่ใช่ฝันนะนอนหลับแล้วก็ได้ยินเสียงเรียงเสียงเปรตทุษษสันนโสตื่นเต้นตระหนกตกใจถูกพวกปุโรหิตหลอกให้บูชายันท่านก็เชื่อเรสั่งเสียมวิธีบูชายัน จนมานางมาริกาทรงทราบข่าวเข้า่าเสด็จม า, าต่อว่าแล้วก็นำไปฟาด พ, พธธา ร, ระพุทธเจา้าพระยาพุทธทรงชี้แจงให้ทราบเรล่านี้ที่จริงก็เป็นการสะท้อนนะฮะสะท้อนถึงธรรมะที่มีอยู่ในตัวคนแล้วก็ในความเชื่อง่ายอะไรของท่านเนี่ยนะบานทีก็ลากเรื่องไปปลนจนจนยุ่งไปหมด ตอนปลายราชสมัยเนี่ยคือเสด็จที่บงคตอย่างอนาถาตอนพระชรามากแล้วน ะ, ะชนภาษาทั้งแปดสิบอะไปถูกความเหนื่อยอความหิวความหนาวเสียดแทงที่บงคตอยู่หน้ากรุงราชรุค ร, อ ร, ร, ร, รของพระชาชาติตรู พระบ้านเมืองถูกยึดพันธุระซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดจากนางวสภาคัตยาก็มีศักดิ์เป็นอะไรล่ะมีศักดิ์เป็นเหลนพระพุทธเจ้านะรร่วมมือกับหลานของพันธุระเสนาบดีที่พระเจ้าประสิทนิ์ในกุศลฆ่าเนะี่ยก็ยึดอำนาจ แล้วแสดงถึงคนซึ่งเป็นหลักเป็นประธานของบุคคะเนี่ยมันต้องมีวิจารณญาณมีความรอบคอบรอบด้านมีสติสมัญญาญะต้องใช้มากคือแต่และเรื่องเนี่ยแต่เรื่องมันมองอะไรอย่างเดียวไม่ค่อยได้ในกรณีนีเ้เป็นการมองที่เราจะเห็นว่า เป็นการมองโดยละเลยข้อเท็จจริงคือท่านมานั่งกับพระนางมาริกาเทวีก็รับสั่งถามโดยความคาดหวังโดยความคาดหวังว่าให้พระนางตอบบัพระนางรักพระองค์เนี่ยมากกว่าชีวิตคือถามว่า ดูกอ น, น้องมาริกามีใครอื่นบ้างไหมที่น้องรักยิ่งกว่าตนพระนางมาริกาท่านใส่เสื้อนะฮะเตนก็พูดความจริงท่านบอกวาอ่ามีใครอื่นที่หม่อมฉันจะรักยิ่งไปกว่าตนไหมทีนี้ก็เพื่อเพื่อให้ท่านได้ฉุขคิดท่านฉลาดนะะท่านฉลาดมากเลย เหตุแทนที่จะไปหยุดตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมไม่คิดแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามไม่คิดโดยตรงจิตราทูลทถามว่าก็ทูลกระหม่อมเล่ามีใครอื่นที่รักยิ่งกว่าพระองค์เพคะพระเจ้าประเสริฐนิโคสมกันให้กอกาะ่ึกออกว่าพระองค์ก็คือกัน่ะ แล้วก็จริงแล้วพระองค์ก็รักตนเองมากกว่าบุคคลอื่นแม้จะเป็นพระเมสีหรือพระโอรสพระธิดาก็ตามนะแล้ก็จริงเราก็รักตัวนั่นแะที่เรารู้สึกว่าเรารักเนี่ยนั่นก็เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นของเราสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่สบายใจของเรา วันก่อนในมาวิทยาลัยสถาบันราชพัฒสวนลุสิษฐ์เขามีแบบสอบถามมาสองประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของขอบข่ายของคาว่าความรักหมายความว่าอะไรประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องหลักการในการเขียนบทความแต่ก็ยังไม่ได้ตอบไปนะคือไม่รู้เขาจะมาสัมภาษณ์หรือจะมา จะขอให้เขียนไปให้ก็ เ, เป็นประเด็นที่น่าคิดนะฮะเราจะเห็นว่าศาสนาพูดเราเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องรักเราพบอยู่ไม่กี่แห่งในสารานิยธรรมสูตรเป็นการสอนแก่พระภิกษุแต่เป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ มันมีคำว่าปิยกรณานาคือสร้างความรักแล้วก็ในหลักของครูนะหน้าที่ของครูก็มีความว่าคารุปิโยคารุปภาวนิโยปิโยก็คือน่ารักคารุก็คือน่าเคารพภาวนิโยก็คือการฝึกปลืออบรมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะสะท้อนได้เห็นว่าเป็น เป็นที่มาของทุกข์ของภัยของความเศร้าโศกอยากได้ทรงแสดงแก่นางวิสาขาเนี่ยปิยโตชาญเตโซโกโความโศกเกิดแต่ของคนสัตว์สิ่งนะฮะทั้งหมดอ่ะการเป็นทิรักปิยโตชาญเตพยังภัยก็เกิดมาจากคนสัตว์สิ่งอันเป็นทิรัก เพราะอะไรเพราะความรักเนี่ยจริงๆมันมันคือถ้าเราแยกให้ให้ใ ห, ให้ให้ออกเราจะเห็นชัดนะาความรักเป็นการมุ่งตอบสนองความต้องการของตนหมายความว่าตรา บ, บใดที่สิ่งสัตว์สิ่งคนนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ตน ต, ตัวเองก็จะเกิดความรักแต่ก็สืบเนื่องมาจากความรักบน แต่ยามใดที่สัตว์สิ่งนั้นไปเป็นของคนอื่นเนี่ยหรือเป็นอื่นเนี่ยมันจะเกิดโทสะาะละการอยู่ร่วมกันแบบพูดจริงๆเนี่ยจริงสอนเรื่องเมตาตาตัรองเมตตากรุณาอย่างที่เคยยกตัวอย่างศี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยหรือพพัฒนาไปจนเป็นธรรมะนี่มันเกิดทีริเกิดโอตปะเกิดเมตตาเกิดเอ็นดูเกิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลาย มันเป็นการลักษณะอภิบาลเป็นการอบุ้มคุ้งครองปกป้องรักษาอภิบาลต่อคนที่เรารู้สึกเมตตาเมตตาจึางเป็นการมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อคนที่เราเมตตาแต่ความรักเนี่ยมุ่งมุ่งให้สิ่งนั้นคนนั้นสัตว์นั้นเนี่ยตอบสนองความร้อง ก, การของตัวเอง แล้วถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะโศกหรือจะโกรธ ถ, ถ้าเป็นไปตามต้องการก็จะรักยิ่งขึ้นห่วงยิ่งขึ้นนะแล้วก็อาจจะหึงทั้งหึงทั้งหวงด้วยอะไรอะไรไปบาบางครางบางคราวก็แตะต้องไม่ได้เพราะในจิตตรงนี้จริงกกาหนดแยกได้ยากแล้วบางทีก็ดูไม่ค่อยออก อันนีเรื่องมาเรื่องก็อาจจะไม่เป็นเรื่อ ง, งนะแล้วก็ดูข่าวอะไเล็กๆก็กนึกขำๆนะนึกนขำๆเลี้ยงลูกหมาตัวเล็กๆไว้คนละตัวคนหนึ่งเลี้ยงตัวเมียคนหนึ่งเลี้ยงตัวผู้ก็เป็นเพื่อนบ้านใกลเริ่นเคียงกันก็ในที่สุดก็เอามาให้ผสมพันธุ์กันแต่ครอดลูกมาเป็นสี่ตัวนะฮะก็ที่ฝ่ายตัวผู้นี่จะขอแบ่งสองตัว ปล่อยตัวเมียไม่ยอมนะฮะหาว่าส่งสุนัขตัวผู้มาข่มขืนสุนัขกกขึ้นโรงพักขึ้นหาตำรวจแจ้งความกันเลยอย่างนึค้คำๆเออมันที่จริงแล้วมันเป็นความรักนะเป็นความรักที่มุ่งครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของ แต่เราจะมีนึกถึงความทุกข์ยากลําบากที่จะสืบเนื่องมาจากการต้องลี้สุนัขต้องฝูงอย่างนั้นนะฮะพอแต่เราคิดรอบครอบเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามความรักเนี่ยมันจะนําไปสู่ความทุกข์ความห่วงใหญ่ความวิตกกังวลความเดือดร้อนตา่างๆแวการรักตนเนี่ยเรารักตนมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยุ่งมากทันหลงตนตนปลือตัวเองหลงลืมตัวเอง นะจนกลายเป็นว่าเรื่องมอนเรื่องเนี่ยด้วยความในรักตนหลงตนแล้วก็ปนปรือตนเองเนี่ยคนเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นจนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไปเข้าใจว่าคล้ายๆกันตัวเองจะยั่งยืนเท่งแท้ถาบอด น, นะพวกนี้กลายเป็นสัตถถธารมทิฏฐินะในสุดมันกลายเป็นสัตรถถธรรมทิฏฐิเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวของ ตัณหากรรมตัตหาพะตัณหาเนี่ยมันผสสาวไปลึกๆเลยมันจะเจอสัจธรทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอ่าพวกนี้จิตใ จ, จก็จะกำหนัดเพื่อเพลิอนอย่ในสิ่งเหลนั้นพระเจ้าประเรสนีกุศลรับสั่งตอบนะว่าแม่ฉันก็ไม่รักใครอื่นยิ่งกว่าตน ก็เสร็จแล้วก็จบจบเท่านั้นก็คงมีอะไรขาพระไทยอยู่นะเลยก็เสด็จจากปร า, าสาทไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบรรยากาศตรงนี้ก็เหมือนกันนะคือรเรเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐ ก, ก็สนก็ดีพระเจ้าพิมพิสารก็ดีเนะี่ยเวลาเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามันเรียบง่ายนะ แตพระเจ้าชาติตูนี่กทุกโครธนะยกไปเป็นกองทัพไปเลยเพราะท่านกลัวอันตรายรัวอันตรายจากคนอื่นนะฮะอาจจะไปดักทำร้ายท่านเราทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่ทําบาปเนี่ยมันมีความผ่องใสเองมีความสบายใจเองไปที่ไหนมาไหนไม่ต้องเดือดร้อน แต่ว่าคนที่ทําบาปเอาไว้เนี่ยจะวิตกกังวลถึงที่เอาก็จริงเนี่ยบางบางบางเรื่องมันก็ยากที่จะคํานวณเนี่ยเมื่อวันที่ทจริงๆก็ลงไปใต้ที่สามจังหวัดภักได้นสองครั้งเลยนะแต่ว่าไปไม่ทั่วสามจังหวัดเพราะว่าไปกับราชการเขาไม่ยอมให้ไปเราก็ไม่ ก็ไม่กลัวเราแต่เกรงใจเขามันสร้างความลำบากแก่เขาแลยเขาให้ไปตรงไหนก็ไปท่านั้นคือเราเห็นได้ว่าตรงนี้มันไม่อยู่ที่เราชั่วหรือไม่ชั่วนะเพราะคนที่ถูกฆ่านสารพัดถูกา่าเด็กก็ถูกฆ่าพระก็ถูกฆ่านเน็นก็ถูกฆ่าอิสลามก็ถูกฆ่าพุทธก็ถูกฆ่ามันยุ่งไปหมดเลยคือไม่มีทิศทางบานมาตรงนี้จึ ง, จง เอาไปวัดไม่ได้กับสังคมบางสังคมเนี่ยเอาไปวัดไม่ได้ว่าถ้าเราเป็นคนดีแล้วใครไม่ทําทําอันตรายอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าจเป็นคนดีจะเห็นไหมถูกเทวทัพยัยงเบียดเบียนใส่ร้า ย, ายพวกอัญญาดเดถียังเบียดเบียนใส่ร้ายเยอะพระเจ้าประเสิฐธิ์มีคนส่วนเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถาวายบังคมเสร็จแล้วนะะก็ประทับนั่ง นี่ลักษณะอย่างหนึ่งคือว่าถาวายบังคมก่อนนะประทับนั่งแต่เทวดาเนี่ยเทัาอัญชลีนะทอัญชลีแล้วก็ประทับยืนถามพระทุนถามปัญหาแล้วกราบเลยแต่ถ้าพรมเนี่ยนั่งพระเพียร น, นั่งกระโยมประคองอัญชลีถัมผ้าชเวียงบากราบลงแทบบาทของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะที่สามบดีพระมกเฝ้ากราบทูลนรัตนนาให้พระเจ้าทรงสแสดงธรรมพระเจ้าประเรสริฐในกุศก็กราบทูลเล่าทั้งความคิดทั้งหมดถึงการเรื่องสนทนากันทั้งหมดสรุปว่าพระพนางมาริกาก็กราบทูลว่าพระนางไม่มีความรักต่อคนอื่นยิ่งไปกว่าตัวเองซึ่งก็เหมือนกับพระองค์ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น ทนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อความก็ทรงเปล่งเป็น พ, พุท ธ, ธอุทานอุตานก็คือสิ่งที่นํามาประรบเนี่ยประรบว่าใครๆสวดสาทั่วชิดด้วยจิตทั่วทุกชิดแล้วหาได้พผู้พูดเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ใดๆ ไ, ไ, ไม่เลยสัตว์อื่นก็รักตนมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้คือการมอง การมองการคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่วันก่อนมีอาจารย์จากมาไทยรามกำแพงเขาโอ้ก็ถ่ายเอกสารจากหนังสือรู้สึกจะคู่สร้างคู่สมนะมาให้มันเป็นบทสัมภาษณ์พี่สภ พ, พายของอุสมาบิลลาเดนก็สัมภาษณ์หลายเรื่องหลายเรื่องนะหลายตอนแต่มันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ คนสัมภาษณ์ก็ถามว่าบินทาเลมีอุดมการณ์างการเมืองอย่างไรมันคิดฝันที่จะสร้างบ้านเมืองอย่างไรพิสภาก็บอกว่าเขาไม่ได้มองในแง่ของบ้านเมืองเขาไม่มีความรอบรู้ในเรื่องบ้านเมืองหรอกแต่ว่าเขาปฏิบัติการทางศาสนาที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือความคิดเนี่ยแกคิดบอกว่า คือในความเห็นของอุสมาบิลลาเดนเนี่ยบอกว่าคนาศาสนาอื่นคนที่ไม่นับถืออันเลาะคือนับถือาศาสนาอื่นเนี่ยไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราเห็นว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวมากเพราะวันขาดการมองพื้นฐานของมนุษย์ตัวนี้อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้นะเรามองให้เป็นแล้วโลกเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เลย มันอยู่ที่เราคิดเป็นเนะ่ะคำพูดว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันเนี่ยเป็นความพูดคำพูดมาจากตะวันตกนะฮะแต่ว่าเขาก็ปฏิบัติไม่ได้ก็รบราค้าปั่นกันอยู่ตลอดมันก็คล้ายๆกับโลโกพระธรรมพิการเมตตาโดยเนื้อหาเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงเป็นเรื่องเดียวกัน โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันนั้นเน้นเน้นที่จิตสำนึกยอมรับตนะั้งถือสถานภาพของการใดกันแต่เมตตาธรรมคำจุนโลกเนี่ยเป็นการมองถึงธรรมปฏิบัติที่เป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพออราอเราประมองกัรในแง่ของชีวิตเนี่ยวัสพรพชีวิตนั้นไม่ได้มองไปในทิศใดก็ตามไม่มีใครที่ เราจะรักยิ่งไปกว่าตัวเราใครจะมองก็ได้นะมองแลกลึกๆ็ปจริงๆเนี่ยแต่และชีวิตนั้นก็รักตนแล้วก็ไม่มีใครที่เขารักยิ่งไปกว่าตนเขาแม้แต่รักพ่อรักแม่ก็รักเพราะท่านเป็นพ่อเราแม่เรารักชาติก็เพราะเป็นชาติเรารนะักศาสนาก็เป็นศาสนาของเรามันต้องมีของเราเข้าไปผูกอยู่แหละ ทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาตรงนี้มาคิดคิดเป็นระบบศีลธรรมคือเวลารับสั่งกับพระเจ้าประเสริฐนิโกสุมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าพระเจ้าจะรับสั่งแบบศีลธรรมยัญญามีโกศลสังยุทธในสังยุทธนิกายนี่เยอะหลายสูตรแล้วก็ในโพกสกาตะวัค์สังยุทธนิกายก็มีนะคือธรรมะจะไม่สูง จะแสดงนึกหลักคิดในแนวเอาใจเขามาใส่ใจเราคือทำตนเป็นอุปมานะคระหัหาเหล่านี้เราเห็นได้ชัดว่าความคิดตรงนี้เวลานี้มันมันกล้ใก้มันหายไปเลยชอบกุคือวันก่อนจ้นึกถึงลูกเ้ยแม่แตัดขอลูกเกี่ยอะไรทางพังเนี่ยรู้สึกแถวอะไรสุขโขทัยอะไร ตกใจคิดเป็นได้ไงมันทำได้ไงก็ลูกก็ลังน่ารักด้วยนะลูกผู้ชายก็ลังน่ารักโกรธโกรธสามีแล้วก็ตัดขอลูกแล้วก็ทั้งผัวทั้งเมียมไม่รู้สึกผิดโอ้โหน่ากลัวมากยังความคิดที่น่ากลัวคือลูกเขาก็รักชีวิตเขามากกว่า มันก็สะท้อนภาพอะไรอย่างหนึ่งนะคือสะท้อนว่าพี่สาวนี่พอเห็นน้องน้องชายตกค่าตกใจว่าตัวเองจอะตกข่าโดนหรือ ว, วิ่งหนีตเตลิดไปเลยเป็นกิโลนะฮะด้เหนียวเป็นกิโลกิโลรู้สึกจังหวัดตากนะนี่คือแสดงให้เห็นว่ า, าความคิดแบบอตานังอุปังคตวาทําตนไปรลบมาเทียวเคียงเนี่ยมันจางไปมันคลายไปมันลดลงไป แล้วก็ไปสร้างความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพระนั้นพรเจ้าจึงสอนให้มองเออเมื่อเรารักตนเนี่ยรักตนมากที่สุดเนี่ยคนอื่นเขาก็รักตนเองมากที่สุดมันต้องคิดได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ารูปแบบในการคิดเนี่ยหรือต้นแบบของการคิดเนี่ยมันก็สิคิดจากคำตอบของพระนางมาริกาเทวีกับคา ตอบของพระเจ้าประเสริฐกุศลและพระเจ้าทรงยอมรับพระพุทธเจ้าไม่ได้รักพระองค์หรอกเพราะว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้รักแต่ว่าพระพุทธเจ้าสะท้อนธรรมชาติของชีวิตว่าสัตว์ประจีวิต้อก็เป็นอย่างนี้พันทำยังไงว่าหาคิดหน่อยหาคิดกันหน่อยว่าสัตว์เราอื่นก็รักตนมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนตนของบุคคลอื่นฮะจึงไม่ควรเบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นก็เป็นตัวเป็นตนตนนี้เราจะเห็นว่าอัตตาตัวตนเนี่ยมันแบบสมมติบัญญัติเนี่ยต้องเอาจริงมากนะคือพระอาหารหันเนี่ยท่านไม่มีอัตตาตัวตนแต่ในขณะเดียวกันเมื่อท่านมาอยู่กับมนุษย์ซึ่งมีตัวตนเนี่ย ถ้าก็จะรมยอมรับความเชื่อถือความเชื่อถือของบุคคลเล่านั้นแล้วก็ให้ความสาคัญแก่ชีวิตคำสอนจึงมีลักษณะละเมียดละไมเกี่ยวกับชีวิตก็คือเราดูในสิ่ข้อที่สี่อย่างที่บอกเนี่ยคือมองในแนวในหลักของกุศลกรามบทเนี่ยให้เคารพสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นด้วยการไม่ฆ่า ไม่ใช้บุคคลอื่นให้ค่าไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ค่าแล้วไม่พอใจยินดีในการค่าคือใจเองเนี่ยไม่พอใจไม่ยินดีในการค่าแต่กลับมีเมตตามุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นคือพัฒนาการทางจิตที่มันก็เริ่มต้นจากความคิดอ่ะเริ่มต้นจากความคิดเดียวตัวเองเป็นอุปามาเทียบเคียงให้ได้ พระธรรมเทศนาตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นการประลบพิธีสังคมธรรมดาแต่ก็เป็นปัญหาคารโลกที่ไม่เคยสงบเรานึกถึงการฆ่าของอเมริกากับอิรักที่เขาฆ่าที่เมืองบารูจาอะไรเนี่ยคนตายตั้งหกเจ็ดร้อยอย่านึกเสียดายว่า แล้วพันยาจะกำพร้าตะกี่คนลูกจะขาดพ่อไปทักี่คนแล้วการทิ้งระเบิดกันยิงในรักษาะนั้นนะเด็กก็ตายผู้หญิงก็ตายคนจะราก็ตายอะไรก็ตายนะท่องทำยังไงว่าคนจะเลิกเบียดเบียนเลือเบียดเบียนมาทุจริกันคือมาไปครั้งแรกเนี่ยไปไปที่ยาลาแต่ไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยไปไปที่ปัตตานีครั้งที่สองเนี่ยก็ไป ปฏิยลานะแต่เราดูสภาพจิตใจของคนเนี่ยมันรู้สึกว่าเวดูดเดียวเดียวได้ยหงาเศร้าไม่ไม่มั่นใจในชีวิตในทรัพย์สินในตัวเองไปไหนไม่มั่นใจว่าจะได้กลับหรือไม่ได้กลับแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีมันบุกเข้าไปแล้วเวลาเนี่ยบุกเข้าไปเฉยๆครับนั่นคือความรุนแรงว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้คิด เพราวิธีคิดเนี่ยอิธีคิดเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าคิดแบบอุตมาเวลาเด่นอย่างที่บอกเนี่ยโอ้ก็ยุ่งตายแล้ะโลกจะพัฒนาไปยังไงก็ตามถ้ามีคนเกิดคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพียงไม่กี่คนนั้นนั่นเองนะฮะเพียงไม่กี่คนนั้น เ, นเราลองดูแต่ว่าคิดยังคิดเล้อเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่เพราะในที่นี้จึงเน้นที่ให้คิดแบบใจเข้าใจเราให้ได้ แล้วก็เมื่อเรารักตนคนอื่นเขาก็รักตนก็พยายามที่จะระมัดระวังอย่าให้เป็นการล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตของกันและกันอุตสาหาสอนปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงเมตตานะิริโอตปะเมตตากรุณาเมตตาอินดูเมตตาอินดูแล้วก็จิตคิดอนุเคราะห์มุ่งอนุเคราะห์ต่อคนสัตว์ทั้งหลายตั้งฟังทั้งหลาย